กันสิ่งที่ท่านพูดไว้นะผมก็มาพูดต่อให้ฟังอย่างนี้งั้นพรหมชั้นนี้ขึ้น กล่าวเพียงแต่ว่าอนาคามิขาตานั้นไม่มีจิตไม่มีรูปาจารนิดาติเกิดและ แล้วสตาวาอาบัติ 5 นั้นมีอะไรบ้างก็มีอวิหาตปาตุทัสสาตุสัสสีไม่เสื่อมจากสมบัติของตัวเอง อัปปาปแปลว่าไม่เหล่าร้อนคือมีความสุขมากอันนี้เป็นจุดเด่นสุขัสสาปแปล แล้วก็สูงสุดกว่ากันในสุคาวาสภูมิก็เฉพาะอนาคากับละอรหันต์คือเวลาไปเกิดเป็นธรรมะ ไม่ทรงศึกษาศาสนาหมดและละวิจัยเองว่าพูดถึงทีไรก็จะพูดให้ แล้วก็ข้อ 2 เนี่ยกลายเป็นปฏิจจานกุศลให้ผลเป็นปฏิจจานวิบากส่งผลในปฏิจจานภูมิ 3 ปัญหาว่าทุติยฌานหายไปไหนนี่โดยปัญจกนัยโดย สู่ติยวิบัติแล้วก็ปฏิญาฌานเข้าไปปฏิญาภูมิเรติยวิบัติแล้วจตุตฌานก็ไปจตุตตฌานภูมิโดยจตุตฌาน ไปปฐมฌานภูมิเนื่องจากกระผมฌานโดยจตุกนัยนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 สังขยัติใคร หลักพฤติตกวิชาเพราะฉะนั้นฆ่าของจตุกนัยนั้นปฐมฌานภูมิปฐมฌานจึงเท่า 1 ประจาน 2 รวมกันแล้วก็ไปเกิดในปฐมฌาน ก็เลยเลยขาดเกี่ยวเนี่ยบางทีนะแต่พอจะมาอ้างโดยปรรณกาลหมายหมายทั้งในที่นับฌานเป็น 5 ฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 ฌาน 5 ฌาน 1 เนี่ยปีองค์ฌาน 5 ฌาน 2 มีก็ค่านี้ฌานที่มีองค์เนี่ย เหลือสี่คือ 4 คือปวิตกฌาน 3 ละวิจารณ์ไปด้วยฌาน 4 ฌาน 1 กับฌาน 2 เค้านับรวมกันไปเลยคือละวิตกและวิจารไปเลยถึงจะรักต้องระยางก็นับเป็นฌานเดียวกันเอาพวกที่มีปัญญามากเกิน 1 ของจัด 2 นะ 3 เท่า 2 ฌาน 4 เท่า 3 ฌาน 5 เท่า 4 เรียนทราบนะครับขอให้แต่ว่าใครที่ไม่ได้รับเรียนกันเร 4 ชั้นที่ปฐมทุติยาตติยาจตุรชาก็แบ่งโดยจตุคณะ ของปัญจกะกะไว้แสดงในจึงดูลักลั่นกันนําไปเขียนโยงเข้าไปหาอีกของจตุกนัยคือพระภหมอาจารย์ภูมิผู้ที่อาจารย์ภูมิกับเปรยอาจารย์ภูมิจตุตกะก็ไปอย่างนั้นในนี้ก็แสดงอย่างปัญจกะกะ ที่ให้เห็นลักษณะของวิบัติของในสรโลก กล่าวได้ว่าครบถ้วนมากที่สุด อา divided sich ถ сю הפ so handsome ได้ไงครับดีที่สุดสิ k pues ra lang ใน välde lelku ได้ไหม ett par d field ได้ไหมไม่ที่สุดครับใน masnuse d d des medier l et 小 d ในoglyANS oko gilet realms o kar ใน dabai thukth vinnibati bullshit ลasy awakenedra loc nre m e k e k e k h e k a k al j เอาหลัต создактер crianças ขึ้นคล้อง y ri l e l เกิดกับมนาตรัสตรงนะว่าเค้าถึงกันนะถึงกรรมมันซัดส่งมามันเลยกลายเป็นไอ้กิเลสที่ไม่ๆอย่างนี้แล้วก็ แล้วก็ไปไปไปเล่นถึงอ่ะตัดเดชานนั้นก็เกี่ยวกับไม่พ้นเรื่องบ่าวเรื่อง 2 ไอ้อย่างอื่นก็มีได้บ้างก็ไม่แจกนะก็ไม่ ตัวเองหรือเจเองกันนะถ้าอย่างงั้นมันแค่จํากัดเอาบุญกิริยาวัตถุศีลมาวางเอากุศลกรรมบทมาวางแล้วจํากัดหนุนให้ทําบุญทําก็น้อยแล้วพูดถึงนี้เทวดาไอ้ความพยายาม ไม่เหมือนมนุษย์กับมนุษย์จะมาใส่บาทได้ยิ่งไปเป็นพรหมก็ชีวิตก็ยิ่งจํากัดกิเลสมันก็ยิ่งจํากัดนะกุศลก็ กิเลสคือการสะสมความชั่วที่สะสมได้อย่างทบทั่วก็การทําชั่วร้ายไอ้ซ้ําชั่วกับการได้ 2 อย่างได้ชั่วๆจะกิเลสในของเจ้าก็ได้เป็นๆนั้นลืมคิดใช่มั้ยแต่ลืมหรือ ไอ้ฆ่าให้ตายเนี่ยดีมันจะได้ตายเราจะได้เหี้ยมหรือเล่าๆที่ต้องเป็นต้องรักเนี่ยเพื่อทําสงวนความเห็น ก็ต้องไปฝึกให้ใจเต็มร้อยฝึกฝึกเอากิเลสนะฝึกเอา นี่ไอ้วิบากที่ที่อยากจะจะเห็น แน่นอนน่ะเราต้องพูดว่าทุกคนเนี่ยทั้งชมทั้งใครเนี่ย 10 เราทํากันไว้เก่า วิมานพลุงถึงจะเอาโคดเพชรมาตั้งไว้เนี่ยไอ้ของเราทําให้มันเกินๆไอ้ทําตาล่างมันอยู่ที่ต้องการขโมยนะไอ้ขั้น ไม่มีใครมามือดอนที่เอาสเปรย์มาที่ฉีดนะปัฏฐาบันนี้เป็นเจ้านี้ มันคุ้มครองให้การคุ้มครองอย่างดีแต่ถ้าเนี่ยชาติวิบากนั้นยกเลิกการให้ผลปัจจัยในโลกมนุษย์มาหามันเมื่อไหร่พรมาเกิดเป็นมนุษย์ของใครนะฮะอ๋อมา เนี่ยตัวเค้าเป็นอย่างนั้นนะอ้าวตั้งธุรกิจขึ้นมาเนี่ยจะโดนโกงโดนติ๊กนี่เพราะว่า วิบากของกามวิบากเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีปฏิบัติเยอะเราอย่าเสียใจครับที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อจะ 1 ใครที่เป็นเป็น <c oughs> อ่าเอ่อก็มีกรรมผลของนึงออกเป็นเป็นปรากฏธรรมประมาณเนี่ยนะเป็นเป็นช่องแห่งความหยานะช่องแห่ง ไอ้ตั๋วก็มากวนหนูก็มากวนใช่มั้ยฮะเราต้องนึกเองแล้วต้องแบ่งทําบาปต่อก็มีบางคนแล้วเนี่ยนะก็พอฟังเทศน์ฟัง <c oughs> แล้วก็เราก็บอกว่าเออเค้าต้องพยายามเคร่งครัดในศีลให้มันคนมาเรื่องเค้าแต่ว่าอันนึงเค้าบอกเนี่ยเค้าทน <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราไม่เคยลังกลัวเราทําไม่บาปเนี่ยก็แล้วว่าทํานี่ก็ก็ปลุกก็กระเปื้อนหมูหมากาไก่เนี่ยเราก็ต้องเอาไก่หมู มีธรรมะหมายถึงต้องแสดงบัลลังก์ของเราไปช่วยบำบัดทุกข์อันเกิดจากอกุศลนิบาตช่วย <c oughs> แต่ถ้าเรามองอย่างเข้าใจแล้วก็จะรู้ออมันเนี่ยต้องเข้า มีบอกว่าทําไมตัวถ้าตัวลําบากก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเออเมื่อไม่ทําอะไรมันก็ไม่ต้องได้อะไรเลยเป็นทํานองนี้อ่ะเลยแล้วเป็นรากของเธอแล้วแม้พูดถึงตรงนี้ แต่มันได้มาแจกนะแล้วก็ก็มาทั้งแจกกันมากนี่ เจ้าของเราไป AD นี่แสดงว่าเราได้ทําแล้วเรากําลังมาประสบจังหวะ กรรมสกตาปัญญาแล้วก็เจตนาสละสละความรู้สึกกังวลสละสัตว์นั้นทําเขา <c oughs> ไอ้คำเนี่ยมันก็ยิ่งเราเจตนาดีมันก็เป็นเรื่องผิดกล่าวด้วย ไม่ต้องทำรู้นะฮะกระเป๋าหนึ่งกระเป๋า 2 ก็วางที่ไหนก็ได้ที่อะไรอย่างนี้มัน วิสภาตอาปัจจัยไม่ให้มันมาประชุมพร้อมกันนั้นอีกก็การรักษาอย่างหนึ่ง หรือจะถ้าคนรักษาอย่างคนตามหีเนี่ยอันหนึ่งรักษาด้วย นึกเรื่องเกี่ยวกับท่านและไม่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นท่านก็ทํา แต่ว่าเวลาเราเสียสละปั๊บนึงดีแล้วก็ตั้งใจมาตลอด มีใครเข้ามาโกงมาแล้วเรือให้อภัยเป็นตัวหลักเมตตา เราไม่เชื่อหวังใจมานานเลยว่าใครเอาอะไรของเราไปเนี่ยเราเค้าต้อง แต่ถ้าเอาเอากองเข้ามาด้วยความชอบธรรมเนี่ยเราจะคืนให้อย่างที่ทั้ง 2 วงมาเลยอย่างนี้ก็ไม่ชอบทําก็จะเสียหายแต่ว่าไอ้การได้มาการเสียเปล่าที่เราแต่ในวงวัฏจักร เราได้วันนี้เพราะเราเคยก่อนเขาก็ได้มา เนี่ยบางคนก็ได้ขึ้นภรรยาบางคนได้ขึ้นลูกเรียกว่าตกเค้าเรียกว่าได้ลูกเป็นราบได้ภรรยา อย่างนี้ก็กันอีกนึงนะบางคนก็ช่วยไปภรรยา แล้วก็หาว่าใครกําลังช่วยเหลือท่านอยู่ก็คิดเราเราก็เย็นนึกว่าเออมึงไม่ต้องเห็นหน้าเนี่ยไปเลยจะได้หมดเวรหมดกรรมกันทีมัน เราหาที่ซึ่งกรรมเป็นดีคุณกรรมไปผูกพันกับอารมณ์อะไรมีชีวิตไอ้คนนั้นถ้ากรรมใดที่เราไปมี เรียกคู่กันในทํานองนี้อธิบายเป็นลักษณะแล้วก็ในตัวอย่างในพุทธศาสนาเค้ามีบางคนก็ประสบมือบางคนก็เท้าประสบความเกิดด้วยเท้าก็ต่าง ทั้งทั้งคนและทั้งของนั่นแหละตอนนี้เป็นเป็นข้อที่เนี่ย ก็บวชได้ๆนี่จะได้เต็มไม่เต็มหน่อยแล้วนี่เราจะใช้ มีไล่ที่เหลื่อมกับสงบกิเลสตู้เย็นสังสงกิเลสล้างกิเลสแค่สังสงนะแต่ว่าทํามองไปทางเจตนาเดิมเนี่ยว่าซื้อเตียงมาเนี่ยตัวผมอีกเสียจะได้หลุดนะฮะนี้ก็ จะติดแอร์ในเรือนปฏิบัติธรรมคือสร้างให้คนมาปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติ อาจไปใช้เป็นวัตถุของการอบรมความดีลาเกเดตก็มีชีวิตหลัง แม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเลวเราก็ได้ประโยชน์กับความเลวนั้นได้มา ป득 แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องวิบากคือผลของกรรมที่พูดไป ชีวิตเกลมรมรมเทียมเป็นภาพจำลองชีวิตอย่างรมไปอยู่ในป่ามีน้ำตกมีสัตว์ป่าเช้าขึ้นมาก็ ถึงเที่ยงอยู่เดินมาก็ไปเด็ดผลไม้กินอยู่ๆไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้อยู่ในสังคมก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโมย เอาธรรมะอีกส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับกรุงเรา ฝนตกก็ไม่ต้องล้ําใจนะในเวลาเย็นในเวลาเวลาเย็นก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจเรื่องอาหารการกินเป็นทุกสิ่งเจ้าล่ะจะกลัวไอ้ความก็ไม่อยู่อย่างเอามั้ยใครก็ได้ใช่มั้ยชั้น มีที่เลี้ยงกันกันน้อยเราไม่จําเป็นต้องไปสู่หน้านี้เลยใครก็ได้เรามีที่จะชุบเลี้ยงกันเกิดจนตายเลยกันนักไม่จําถึงบวชผมยังเคยบอกมามีใครอย่างเนี้ยผมเนี่ยยิน จะเลี้ยงแม่มันมีอะไรก็คนเลยกูเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องไปชวนคนอื่นมาทอดกระทิทอดกระปาลิกหาไม่ได้ครับตอนมันมีเค้าก็แย่งกันเลี้ยงอยู่เนี่ยพูด เมื่อก่อนเนี่ยไปอยู่ที่ริมน้ําได้เหรอนะมาอยู่ไปดูกลมโลกไปแล้วจะให้จริงสวยจริงดีจริงงามจริงจะมีลงหยังมั้ยมีวีดีโอดูๆรับไม่ นว่าคนอะไรที่มันจะเล่นดีจริงๆเราไม่ดีจริง มันก็ต้องเจอมาพระพุทธเจ้าเหมือนกันไปอยู่ตามเป็น เป็นสถานที่ที่ดีมากมีคนเคยเคยผมเคยคุยกับคนบ้างอะไรบ้างนะแต่พระมหากษัตริย์ทํา ขณะจะไปเกิดในประเทศที่เจริญประจัญบัตอังกฤษผมว่าถ้าเป็นใจอย่าง ก็ขอให้ที่พวกสร้างบารมีนะเจตนาถึงไม่คิดว่าจะไปที่นันทนีมันต้องเราเราก็จะ บุคคลที่ไกลออกไปแม้แต่โลกทั้งโลกวันนี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะๆนะเราต้องโอ้โชค อาทิตย์หน้ามาพูดดีได้ฟังเลยจริงมั้ยเท่าไหร่จริงได้ไงรู้มากกว่าทุกอย่างประเสริฐกว่าหมกศีลสมาธิปัญญาผมมาพูดแล้วคนหนีหมดเลยแต่มีอย่างรู้น้อยกับผมนะบางทีก็รู้เยอะได้แต่คิดเราก็ต้องต้องหา อาจารย์น่าจะไปเรียนก่อนแล้วผมรู้น้อยเรียนทีหลังก็ต้องไปเรียนกับท่านบ้างใครนี่กันบ้างทั้งยังผมอีกหน่อยครูบาอาจารย์เยอะนั่นครั้นถ้าเป็นสัปเลงแนวแถวนี้ <c oughs> เขาลําบากคิดจะจะรักษาเอาเงินนะจะเป็นหมอ แต่เพียงว่าในทางธรรมทุกทุกๆอารมณ์ทั้งที่เราเสียหาย